มาถึงยุคกลางก็จัดแต่ระเบียบภายในพระวินัยยังไม่เกิดต่อมาก็เมื่อสาวกของพระุทองค์ขยายไปกว้างขวางขึ้นบุคคลที่มาบวชต่างลทัทธิต่างศาสนาต่างนิกายเข้ามาก็ทำไม่ถูกก็เลยต้องมีระเบียบภายนอกเข้ามาจัดการด้วย น, นั้นระเบียบภายในเป็นระเบียบหลักก็เรียกว่าพระธรรมเป็นระเบียบภายใ น, น, ยยในคือจัดระเบียบศีลจัดระเบียบกายและวาจาสมาธิจัดระเบียบความคิดปัญญาจัดระเบียบความรู้เนี่ยเพราะความคิดและความรู้ไม่เหมือนกันนะ ดังนั้นถ้าเรามีทั้งศีลสำนึิปัญญาเราก็จะมีระเบียบทั้งกายวาจาใจและความรู้ด้วยถ้านะหลังมาระยะหลังในเะมื่อเกิดระเบียบภินในมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเรื่อยๆการจัดระเบียบภายในก็น้อยลงไปน้อยลงไปนะเพราะว่าระเบียบภายนอกนั้นจะมีปัญหาคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุรรเบียระเบียบยภายนอก คนที่ไม่สามารถจัดระเบียบภายในเป็นก็ต้องมาจัดระเบียบภายนอกคนที่จัดระเบียบภายในเป็นระเบียบภายนอกก็เป็นไปเองนี่ก็เป็นทำให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อเราไม่สามารถจัดระเบียบตัวเองได้ก็ต้องให้คนอื่นมาจัดเมื่อคนอื่นมาจัดก็ต้อง เ, เกิดปัญหา บางอย่างเราก็พอใจบางอย่างก็เราก็ไม่พอใจเพราะนั้นการแก้ปัญหาป่าเหตุนั้นมันก่อให้เกิดปัญหาใหม่ไปเรื่อยๆดังนั้นสมัยครั้งพุทธกาลพระองค์กับสาวกชื่อต้นๆก็จัดระเบียบภายในกันเท่านั้นไม่ต้องมีระเบียบภายนอกเพราะมันเป็นไปเองเพราะระเบียบภายนอกก็เกิดจากระเบียบภายในนั่นเองเพราะนั้นการจัดระเบียบภายใน เรียกว่าสติสัมปชัญญะการระเบียบภายนอกเรียว่าศีลและวินัยอืเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วศีลและวินัยก็เป็นไปเองถ้าขาดสติสัมปชัญญะศีลและวินัยก็ไม่สมบูรณ์เพราะนั่นจึงมีวินัยสองระดับอืที่เป็นอาขาริยะวินัยการอาคาริยะวินัย เพราะนั้นวินัยสำหรับข้างนอกนี่วินัยสำหรับผู้ที่จะต้องเบื้องต้นท่านใช้ว่าอาธิกรรมอาธิพรหมจรรย์อาธิกรรมิกะอาธิพรหมจรรย์เป็นวินัยเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าสู่พรหมจรรย์ก็ต้องมีอาธิพรหมจรรย์เรียว่าศีลหรือวินัยเรียกว่าอาธิพรหมจรรย์ อส่วนตัวศีลที่เป็นพรหมจรรย์ก็คือสติสมัมปญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลพรหมจรรย์หรือมีสติสมัมญะญญแล้วนี่ก็ศีลภายนอกก็เป็นไปเองนนัะดังนั้นเองเรามีศีลภายนอกก็เพื่อเอามาเป็นระเบียบเพื่อจัดสิ่งหยาบๆออกไปนั่นเอง แต่คนที่มีความประณีตความละเอียดภายในอยู่แล้วเนี่ยสิ่งยาภายนอกก็ย่อมไม่มีแต่ว่าคนเรานั้นต่างกันโดยจดินนสัยการศึกษาสติปัญญาสิ่งแวดล้อมพันธุ ก, กรรมมีความแตกต่างกันหลายระดับเพราะฉะนั้นเราจะให้คนเสมอเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้เพราะนั้นก็จงบางคนทดลองใช้ระเบียบภายนอกเข้ามาจัดการ บางคนก็ใช้ระเบียบภายในได้เลยแล้วจะระเบียบภายนอกเพื่อที่ให้เกิดระเบียบภายในบางคนที่มีระเบียบภายในดีแล้วก็ระเบียบภายนอกก็ไม่จําเป็นด้วยความเข้าใจกันไม่ถูกต้องก็เกิดความเดื่อมล้ํากันความเดือมล้ําความแตกต่างเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นคณะเป็นนิกายมากมายหลังจากการสังขยนาขั้งที่หนึ่ง อย่างนั้นเราต้องเข้าใจเจตนารมณ์ว่าการที่เราเข้ามาสุสนาเนี่เพื่ออะไรอเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อการดับทุกข์หรือเพื่อการรู้ทุกข์เพื่อการศึกษาทุกข์เมื่อเราศึกษาไม่ถูกมันก็ทุกไปเรื่อยๆถ้าเราศึกษาถูกทุกข์มันก็หมดไปเรื่อยๆนั่น ดังนั้นเองนั่นก็มีหลักตัดสินที่เป็นกลางที่เราสวดมาไม่กี่หลักตัดลักษณะตัสดสินของพระธรรมวินัยธรรมวินัยใดเป็นไปเพื่อการไม่สังสมกองเกลเป็นไปเพื่อไม่สังสมกองทุกเป็นไปเพื่อมรรคเนาเป็นไปเพื่อสันโดษเป็นไปเพื่อเลี้ยงง่ายทั้งเจ็ดแปดประการที่เราสวดกันมานันเป็นลักษณะตัดสินว่าในถูกอในผิด ฉะนั้นเองเราทั้งหลายก็ใช้ความสามารถเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติตามแต่ว่าความสามารถไม่เพียงพอเราก็ยังมีพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือแต่ว่าเรามีการปฏิบัติมีปัสนานี้เพื่อที่จะให้รู้ความสามารถของตัวเองตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่มีปัสนานี้ก่อนเนี่ยเรามักากประเมินตัวเองผิดมีความ ไม่เข้าใจนะเรามีความสามารถน้อยก็คิดว่าตัวเองมีมากเรามีความสามารถมากก็คิดว่าตัวเองมีน้อยเราเราดูตัวเองไม่ออกแต่ถ้าเราวิปัสสนาแล้วเราจะอยอม ร, รับความเป็นจริงเออเรามีเท่านี้เราก็สามารถเสาะแสวงหาเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะอย่างนี้อันนี้มันข้อดีตรงวิปัสสนาก่อนถ้าคนไหนไม่ได้วิปัสสนามาก่อนก็ยากที่จะประเมินตัวเองได้ถูกต้องว่าเรามี การสามารถมากน้อยแค่ไหนเนี้ประเมินได้ยากเพราะเราประเมินภายนอกไม่ได้นะต้องประเมินจากภายในดังนั้นการที่เราจะเห็นภายในทั้งหมดก็ต้องเห็นด้วยตาปัญญาด้ววิปาาัสนาญาณดนั้นการปฏิบัติวิปัสนาควรจะมาก่อนเมื่อศึกษาวิปัสนาประเมินตัวเองเป็นแล้วก็ค่อยศึกษาขันธทุระ เพื่อเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองในการสี่ความหมายแต่คนผู้วันนี้มันทำกลับกันเรามาทำคันธาธุระเสียก่อนเราไปทำวิปัสนาที่หลังคันธาธุระมันก็เลยไปบังวิปัสนาทำวิปัสนาไม่ค่อยขึ้นเพราะมันไปบงังอันนั้นก็ท้าศึกษาเข้ามาต้องศึกษาวิปัสนาก่อน เมื่อศึกษาวิปัสนาเห็นตนเองประเมินตัวเองได้ถูกต้องแล้วก็ย่อมจะใช้คันธาธุระได้ถูกต้องคือใช้สมมุติของมันหมายความว่าศึกษาให้รู้ว่าไอ้ผลไม้นี่มันผลอะไรแล้วก็รสชาติเป็นอย่างไรต้องรู้รสชาติได้กินใชก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นปลูก ถ้าเราปลูกไปก่อนยังไม่รู้รสชาติไอ้ผลไม้นี่มันรสชาติยังไงแล้วปลูกไปก่อนไม่รู้มันจะออกมาลูกแบบไหนมันก็ลังเลเราจะปลูกส้มโอเราต้องเคยกินส้มโอมาก่อนถ้าเราไม่เคยกินส้มโอเราไปปลูกส้มโอเนี่เราไม่รู้ว่ามันจะผลออกมาแบบไหนไม่แน่ใจว่าเป็นส้มโอเปรี้ยวหรือส้มโอหวานส้มโอเปลือกหนะเปลือกบางส้มโอพันไหนเราไม่รู้เราก็ลังเลแต่พอเราเคยกินส้มโอมา หลาครั้งละรู้ไวแบบนี้มันพันนี้รสแบบนี้พันนี้รสแบบนี้แล้วเราจะเลือกเป็นทีนี้เราไม่ใช่ปลูกสมโอทุกพันไปทุกวันนี้เราเสียเวลาพราะไปปลูกสมโอด้วยก่อนตอนทั้ทงทั้งที่เรายังไม่ได้กินเลยว่าอสมโอมันรสแบบไหนพันอะไรมันถึงเสียเวลาในการศึกษาคันธุระครึ่งข้อนชีวิตพอมาทํำวิปัสสนาก็ไม่ทันแล้วในการทํำวิปัสสนาจะได้ผลต้องทําตั้งแต่หนุ่งๆไปทําตอนแก่เนี่ยยากแล้ว พะตอนหนุ่มๆตอนที่มีสติปัญญามีสติสัมยาญสมบู์สมองดีจิตใจดีมันก็ศึกษาได้ลึกศึกษาได้ไวเหมือนคนขุดหลุมถ้าเราหนุ่มๆแล้วเราขุดหลุมได้ลึกเจาะอะไรได้ลึกกำลังดีแต่พอแก่แล้วขุดไปไม่ไหวนะเราหาันมาทำวิปัสสนาก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วนั่นเองก็คนหนุ่มของเราต้องรีบศึกรีบศึกษาวิปัสสนาให้เข้าใจ เวลาที่เหลือก็ไปศึกษาปริยัติก็ได้หรือไม่ศึกษาก็ได้เพราะพระธรรมนั้นเป็นปริยัตปฏิบัติปฏิเวทไปในตัวเสร็จอืมฉะนั้นเองปัจจุบันที่เรากําลังของการศึกษาทางพระธรรมขอาเรยสูญเปล่ามากมายปีหนึ่งสิ้นก็ประมาณได้มื่นหลาย แ, ลแสนแต่ว่าพลังพระกําลังที่ออกมาก็ใช้ไม่ได้ แล้วไปเป็นอวิชาการนั้นไปเป็นวิชาการเพื่ออวิชาสมุดนะเป็นวิชาธรรมะหากินไป <c oughs> ผิดจุดปรวสงค์และเป้าหมายของพระศาสดาศาสน า, สาก็จึงมีอันเป็นไปดัง น, นั้นเราก็จําเป็นจะต้องมารู้เจตนาลมของพระศาสดาของเราว่าท่านปรารถนาอย่างไรท่านต้องการที่จะให้เรารู้จักตัวเองเป็นเบื้องต้น หลังจากรู้จักตัวเองแล้วมันถึงจะรู้จักเรื่องอื่นถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองไอ้การที่จะไปรู้จักเรื่องอื่นคนอื่นเป็นไปไม่ได้รู้จักแต่ข้างนอกมันจะไม่รู้จักข้างในเขาว่าเขาเป็นอย่างไรนั้นเรารู้จักผลไม้แค่ข้างนอกข้างในมันรสอะไรสีอะไรกลิ่นอย่างไรเราไม่รู้จักดังนั้นเองก็การศึกษาและการปฏิบัติของพวกเร า, าจะว่าไปก็เป็นการ เริ่มต้นกันใหม่เริ่มตึงกันใหม่ให้ถูกต้องนะอันไหนที่มันก็ต้องดูบางทีถูกต้องตามพระธรรมวินัยแต่ไม่ถูกต้องตามยุคสมัยก็ต้องปรับหรือถูกต้องตามยุคสมัยแต่ไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ก็ต้องปรับถูกต้องตามยุคสมัยสถานการณ์แต่ไม่ถูกต้องกับจริยนิสัยของตัวเองก็ต้องปรับล้วนแต่ต้องใช้สติปัญญาเท่านั้นเลย อะไรแล้เห็นว่าดีแล้วจู่ๆจะทําไปตามมันไม่ได้พลาดที่เราเรียกว่าเห็นตรงเห็นทรงบาทเพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญาความสามารถความชำนิชำนาญประสบการณ์การสังเกตการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมทั้งพระธรรมวินยัยเหมาะสมทั้งสถานการณ์เหมาะสมทั้งการาเทศะและเหมาะสมทั้งจรินิสัยชุมชนของตนเองด้วย ซึ่งต้องใช้สติปัญญาเป็นอันมากดังนั้นเองก็เราทั้งหลายก็คงจะต้องศึกษาและปฏิบัติทางด้านพระธรรมกันให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นเพื่อที่จะใช้วินัยให้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีวิปัสสนาเสียก่อนเนี่ยการใช้วินัยก็อันตรายเป็นการพ่อพูณสังสมมานาอัตตาอย่างละเอียดประณีต ย, ยากแก่กัน กำจัดกลายเป็นอสวะตัวใหม่ขึ้นมานั้นก็ต้องระมัดระวังันั้นเองก็ในช่วงใกล้ข้าพันษาปีนี้เราก็ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะได้ใช้วินัยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ เพื่อความอยู่เป็นสุขทรงแล้วก็จะได้ปลารกความเียนได้ไม่มีประซักและปัญหาให่เป็นที่มาของแหล่งศรัท ธ, ธาของชาวโลกพระหุ้นชนะหิตายะพระหุ้ชนะสุขายะโรกานุกคมปายะเพื่อประโยชน์และความสุขของผูุ้นชนเพื่ออินดูแกเทวดาและมนุษย์นั่นเป้าหมายของเราและที่สําคัญก็คือ เราเป็นพระวิปัสนาหรือพระกรรมฐานเนี่ยต้องอ่อนแอไม่ได้ต้องเข้มแข็งเสมออทั้งกายและทั้งใจถ้าวิปัสนาพระวิปัสนาเจ็บป่วยแล้วก็มันบอกถึงอะไรบางอย่างว่ามันยังไม่ถูกต้องพระวิปัสนาต้องเข้มแข็งทั้งร่างกายและจีใจแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะป่วยมีสิทธิ์ที่จะเจ็บจะไข้ แต่ว่าเราจะต้องป้องกันมันที่เหตุเมื่อเราป้องกันที่เหตุทองการเจ็บป่วยอย่างสุดความสามารถแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นวิบากวิบากกรรมที่เราเคยทํามาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแต่มันก็จะเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ถ้าเราวิปัสนาอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราวิปัสนายังไม่ถูกต้องมันก็จะเจ็บป่วยทั้งกายทั้งจิตไปอันจะเป็นชี้ให้ถึงว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้อง ถึงแม้เราเข้ามาสู่าจะอา่านคุบาลจารย์ที่ถูกต้องวิธีการถูกต้องแล้วก็ตามแต่ว่าเจริตนิสัยส่วนตัวเราไม่เปลี่ยนแปลงก็ยากในการที่จะเข้มแข็งได้นะก <c oughs> ็ระฉะนั้นท่านจะว่าไปผู้ที่ปฏิบัติมิปัสนาที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่เจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งเสมอเพราะนั้นวิธีใดที่จะให้ถูกต้องเราก็ช่วยกันฟังกันบอกกันถ่ายทอดกัน นั้นผมเห็นพระมีศาสนาพระกรรมฐานเจ็บป่วยแล้วผมไม่ค่อยดีใจด้วยเพราะว่ามันสอ ถ, ถึงแต่ว่าไม่ใช่วัยถํามัเป็นไปไวัยตามวัยก็ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นไปตามวัยแต่เรายังไม่ถึงวัยที่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้ต้อ ง, างตายแต่มันเป็นไปก่อนอย่างนี้ก็เราก็สามารถที่จะระมัดระวังและป้องกันได้เพียงแต่ว่าเราทําความถูกต้องให้เกิดทั้งร่างกายและจิตใจเสมอนะ อันนั้นก็พวกเราก็จะเป็นกำลังของพระศาสนาในโลกที่มันกำลังมืดมนอุนธการที่เราเห็นอยู่ก็จะมีแสงเทียนลิบหลี่ให้เราให้คนอื่นได้เห็นได้มองเห็นได้แล้วก็จะช่วยกันปกติป้องแต่ในขณะเดียวกันในโลกปัจจุบันก็ปัญหาและอุปสรรคของพระหนุ่มของเราเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุนิยมที่มาใน รูปแบบต่างๆสื่ออินเทอร์เน็ตมือถือโดยเฉพาะในแหล่แสงเทียนของเราเราไม่อนุญาตให้ใช้มือถือนะใครมีไปไม่ว่าญาติโยมก็เลยหัดหรือพระก็ต้องเก็บกันเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติที่นะออกแบบเอาไว้เพื่อที่จะฝึกการเข้มข้นนะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้จะดึงใจเราออกไปนะ ได้ในขณะเดียวกันนะก็แบ่งเขตกันชัดเจนเขตที่จะเป็นสตรีเพศเขตที่เป็นพระและอุบาสกชัดเจนเพราะการที่เราอยู่ใกล้กันระหว่างสตรีเพศและพระสงฆ์อุบาสกนั้นก็มีอันตรายระดับหนึ่งเพราะเราต่างคนก็ต่างอย่าไม่สิ้นอาสวะกิเลสเพราะฉะนั้นเราก็อบรมฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายสตรีเพศให้รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัว ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวในที่สาธารณะให้เป็นที่ไม่สำรวมระวังเพาจะต้องรักษาซึ่งกันและกันเพราะ อ, อันไหนที่จะเป็นอุปสรรคต่อพรหมจรรทร์ก็ต้องสำรวมระวังเป็นอันตรายต่อกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่คอยบอกคอยเตือนคนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้กาลาเทศะก็จะรักษาตัวไม่เป็น ก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้บาเพ็ญที่มุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสแต่ว่ามันด้วยความของรู้เท่าไม่ถึงการรู้นานไม่ถึงคุณก็ทำให้เราเผลอไผลคิดไปนะสำหรับผู้ที่ยังเยาวหวัยทางความรู้และปัญญาก็ต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักษาซึ่งกันและกันนะ แม้ที่เป็นคนระดับครูบาอาจารย์แล้วก็ยังมีโอกาสพลาดถ้าไม่สำรวมระวังนั้นาฝ่ายอุบาสิกาก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่าจะให้ฝ่ายพระระวังอย่างเดียวอืเคยฟังพระหลวงตาอายุเจ็ดสิบฝากแล้วก็ยังลุกเป็นไฟได้เหมือนกันเรื่องเหล่านี้มันไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนั้นต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันนะะนั้นทางมธรรมแสงเทียนจึงมีนโยบายว่าจะให้ อุบาสิกาไปอยู่ที่ลานธรรมที่นี่ก็จะเป็นพระแล้วก็แม่ครัวก็อยู่ที่ลานธรรมก็ผลัดกันเข้ามาช่วยเป็นระยะเอาส่วนจะสําเร็จหรือไม่ก็ค่อยทํากันไปดูว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างทั้งนี้เพื่อป้องกันซึ่งกันและกันรักษาซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเราอยู่ในเสนาสนะป่าเราก็ต้องอยู่ห่างกันไว้ก่อน เพื่อคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายจะได้หมดไม่มองเราในทางผิดได้เพราะคนทุกวันนี้เราองอย่าลืมว่าเป็นคนที่มิจฉาทิฏฐิมีเยอะจ้องจับผิดหรือจ้องที่จะทําลายพระศาสนานมีมากเราต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในวิธีการหัวเทียนเป็นวิธีการต้องใช้สติปัญญาอย่างมากไม่ได้ใช้รูปแบบเพื่อดึงดูดเสนหหาจากญาติโยม ใช้ความจริงถึงขขาวต้องดาก็ดา่าถึงขขาวว่าก็า ว, ว่าถึงขขาดุต้องดุเราจะทําอะไราตามใจตัวเองไม่ได้ก็กิเลสมันไม่เข้าใครออกใครมันมือนมันหนามันยากที่ทําให้เราเป็นทุกข์มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราต้องรู้จะเข็ดรู้จะกลัวปล่อยให้มันย่ำยีบีทามันไม่ได้นะก็ะต้องช่วยกันเพราะนั้นเองในสถานการณ์โรกที่มันมืดมิดอย่างนี้เราก็ต้อง ทำแสงสว่างให้ปรากฏให้ชัดไม่งั้นเราก็มีโอกาสที่จะลงทางตกลุมตกหลองได้โดยง่ายนอืมั้นในวันนี้เราก็ได้ต้อนรับเพื่อนสหพรมจารีมาพักค้างคืนเพื่อที่จะได้ทาหน้าที่ต่อไปในโอกาสเข้าวรรษาสําหรับกับผมและตระมาเองก็มีคนหลายคนว่าหลวงพ่อยำพรรษาที่ไหน เลยบอกไปเล่นว่าจําพรรษามาเยอะแล้วเกือบสี่สิบปีแล้วพอแล้วอืต้องการที่จะไปช่วยคนที่เขาต้องการอที่ไหนที่เขาต้องการที่จะให้ช่วยก็ไปคนไหนที่ไม่ได้ช่วยต้องการเราไว้ได้พักที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะสมกับเราก็เท่านั้นเองนะแต่ก็มีส่วนที่จะเป็นอย่างนั้นอืม เพราะว่าต้องการที่จะรักษาตัวเองให้ช่วยสำหรับคนที่คนช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่จะหาทางออกให้คือเองจริงๆ จ, จ, จะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระต่างๆเพราะเสียเวลามานานแล้วก็ถึงเวลาที่คนที่เขาต้องการจะพัฒนาตัวเองอย่างจริงจั ง, จงที่จะต้องดูแลช่วยเหลือเขายิ่งทุกวันนี้เราหาอาจารย์กรรมฐานยาก เราก็คนที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันให้มีคุณภาพในการที่จะช่วยเหลือไม่ใช่มีคุณภาพเพื่อที่จะวางตัวอวดตัวหรือสร้างตัวเองไม่ใช่มีคุณภาพในการที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเขาแก้ปัญหาได้ช่วยเขาบําบัดทุบบํารุงสุขเขาได้ช่วยดูแลจิตใจเขาได้ถ้ามีความสามารถกระดูแลให้เขามี ดังกายที่เข้มแข็งด้วยก็ยิ่งดีนะเพราะนั้นพระกรรมฐานเราลึงเจ็บป่วยไม่ได้นะต้องให้รักษาร่างกายให้เข้มแข็งไว้เสมอแต่ในขณะเดียวกันก็รักษาจิตให้เรามีความเข้มแข็งในการต่อสู้ศัตรูภายในมากมายเนกะ็จึงขอฝากงานะโยบายในพรรษานี้เอาไว้แก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายจะนําไปพินิพเจนา เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามสติปัญญาของตนเองด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอเราอยู่ในนาสนาป่าเราก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือเราได้ความสงัดวิเวกไม่ได้กับรับการลุกวนบ่อยเกินไปนี่ข้อดีข้อที่เราได้ประโยชน์นะแล้วก็มี สปายะช่วยความชุ่มชื้นแล้วก็ความความพร้อมทางปัจจัยสี่ทางแบบธรรมชาตินในส่วนหนึ่งเมืองนันแต่ว่าไม่ถึงความพร้อมแบบในเมืองแล้วก็มีเสนาสนะที่เราแยกส่วนกันอยู่หญิงเป็นฝ่ายหญิงชายเป็นฝ่ายชายพระเป็นฝ่ายพระ ก็ทำให้เรามีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้นอันนี้ข้อดีการปฏิบัติของเราก็ได้ต่อเนื่องแต่ข้อเสียก็คือความไม่พร้อมของเสนาสน ะ, ะเช่นน้ําไฟเดี๋ยวน้ําขาดเดี๋ยวไฟขาดเดี๋ยวท่อขาดแล้วก็มีเสนาสนะเยอะเกินไปทําให้เราต้องดูแลถ้าดูแลไม่ทั่วถึงก็ทําให้ของเสียหายอันนี้ที่ข้อเสีย ในแง่ของอาการประจัยสีน้ำน้ำเรื่องไฟเรืออาหารเราไม่สะดวกในแง่ของบินธาบาตบาง ท, ทีบินธาบาตมาชาวบ้านยากจนขึ้นได้บ้างเมื่อได้บ้างหรือได้มาก็อาหารที่ไม่อพอที่จะเป็นสุขภาพได้เต็มไปด้วยสารพิษนี้ส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาประกอบอาหารแต่ <c oughs> เองก็จะมีปัญหาเรื่องการประกอบอาหารตลอดถึง น้าพภาณะหรืออะไรต่างถ้าเราจะทําให้มันสมบูรณ์เหมือนในเมืองหรือใกล้เมืองนี้ไม่ได้บางมือบางส่วนเราก็ต้องขาดหายไปบางเพราะเราในเสนาสนะปา่าถ้าเราจะให้สมบูรณ์เหมือนในเมืองเราก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงน้ําเรื่องไฟเรื่องอาหารปัจจัยสี่แล้วอาศัยเราอยู่ในเสนาสนะปา่านี่ก็เสี่ยงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็อุบัติเหตุเช่นงูสิงเลื้อยคาน วันก่อนไม่ชีของเราก็ถูกูกัดไปอยู่โรงพยาบาลก็ยังได้อยู่บ้านในที่นี้นะก้อนนี้ก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปก็ราว่าไปก็ข้อดีข้อเสียก็บางทีก็ใกล้เคียงกันนะนะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของ <c oughs> การจัดการซึ่งผมก็มกเสียเวลาไปตรงนี้เยอะนะถ้าหากว่า การพงไม่อยู่อ่าเพราะว่าจะต้องเพราะคนใหม่เข้ามานี่ยังไม่มีระเบียบวินัยเท่าที่ควรก็จะจัดการไม่ถูกนะแต่ไม่ใช่ขี้เกียจหรอแต่ยังจัดการไม่ถูกอคือเสนาสนาที่เราได้มาแต่ละสิ่งแต่ละส่วนคือเต็มไปด้วยเรื่องของศรัทธาเรื่เงินทองถ้าจะปล่อยให้มันเสียหายอหรือ เสื่อมเสียไปมันก็จะทําให้เราไม่สามารถรักษาของกลางส่งไว้ได้ก็จะเป็นอกุศลกับเราเราะนั้นผมก็พลอยที่จะรักษาเศนาสนะหรือเครื่องใช้ไม้สอให้ให้คุ้มค่าและให้เป็นประโยชน์เก็บรักษาในส่วนไหนที่มันเสียแล้วก็ทิ้งไปในส่วนที่มันยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ในส่วนไหนที่ยังปลอดภัยอยู่ก็เก็บไว้ในที่ปลอดภัยอื เพราะฉะนั้นดังโยมมาหาเราวางสองวันที่เราสังเกตเห็นได้ต้องสังเกตว่าไหนที่อยู่ตรงไหนตอนนี้ผมเน้นว่าทุกอย่างต้องอยู่ในที่ของมันอไม่ใช่หายไปแล้วไม่รู้แล้วไปวางเกะกะอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่เก็บไม่เม้ยนอย่างนี้กไ็ได้เพราะว่าตอนมานี่ก็ผมต้องตามเก็บตามลักุิติเข้าใจลักุิติคุณคนใหม่เข้าไปอยู่นะเพราะคนใหม่จะเคยชินแบบบ้านๆคือใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งไม่ทําความสะอาดผมก็ค่อยเก็บไปเมียน เพราะว่าวัดเราเป็นสาธารณะไม่ใช่เป็นส่วนตัวเพราะนั้นเราจะล็อกประตูไม่ได้แต่นะคะเดียวกันก็ปิดประตูมกตีกุติบางหลังก็ปิดประตูไม่ได้ผมก็ไปทํากรทําอะไรใส่ชัว่วคราภแล้วก็กุฏิบางหลังก็ประตูมันเสียก็ไปซ่อมประตูกันนะกุฏิบางหลังของใช้ไม่สอยวางเกะ ก, กะไปหมดก็ต้องไปเก็บไปงําไปเมียนเพื่อมีแขกหรืออาคตุกะจรมาจากทางอื่น เราก็สามารถที่จะให้เขาไปพักได้ได้เลยโดยที่เก็บของของเราไว้ให้มิชิด เ, เพราะมันไม่ใช่ที่ของเราเราจะใช้แบบเลยิเ่อไม่ได้แล้ว ใ, ใครเข้าไปใช้ก็ได้เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเก็บของเราให้มิชิดเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดเอาไว้ก่อนที่จะออกมาเก็บผ้าเก็บอะไรไว้ตากให้เป็นระเบียบเวลามีแขกไปไทยมาล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายได้อย่าง รวดเร็วเราก็สะอาดแต่ถ้าหาว่าแค่เข้าไปยังเลือเทอะเ ก, กกะสุขรกอยู่เขาก็ตำหนิเราได้ว่าเราเป็นวัดป่าได้อย่างไรที่เสนาสะนะระเบียบวินัยยังไม่ได้ปลอยแต่เขาก็ไม่รู้เราเราเราเป็นคนใหม่เป็นส่วนใหญ่เหมือนกันไม่ใช่คนเก่าถ้าคนเก่าก็จะรู้ระเบียบวินยัยอันนี้ก็ต้องน่าเห็นใจแลวให้อาภาัยกันนะแต่ว่าเราก็ฝึกปฏิบัติได้แต่ในช่วง อที่เราแขกเรากลับไปเมื่อวานนี้สิ่งที่เห็นแปลกไปก็คือมุ้งที่เราแขวกไปวันสิบกว่าหลังก็เหลืออยู่สามหลังตรงนี้เราก็ต้องไปตามเก็บมาที่มุ้งที่แขวกไว้ตรงนั้นก็ได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งก็วันไหนที่มันยุงเยอะเราก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมวัดกันในมุ้งตรงนั้นประการที่สองเมื่อแขกไปไทยมาฉุกเฉินกลางค่ากลางคืนเราหาที่พักที่นอนหามุง้งหาหมอนไม่ได้เราก็ให้เขานอนตรงนั้นได้เลย เรากางมุงว่าให้เขาอันนี้ที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเราไม่มีไฟเราใช้ตะเกียง ต, ตอนหลังมานี้ตอนที่ผมอยู่ี่คุณวิรัตนะิเอาตะเกียงมาถวายประมาณสองโหล ก, กว่าตะเกียงหูหิว้วที่ผมแขวนเอาไว้ก็ตอนนี้น้ำมันหมดก็เหลือน้ำมันนิดหน่อย้มันกาด แต่ผมสังเกตก็คือมันมันกองอยู่ตรงนั้นผมยังไม่ได้เก็บนะเขาไปใช้แล้วก็มากองไว้ตรงนั้นยังไม่ได้เก็บเข้าที่ของมันนะสําหรับพวกเรากลับมาจากค่ายพวกกดพวกหมอนก็เอามากองไว้ตรงนั้นผมเขาเก็บเมื่อวานนะแล้วจะบอกพระท่านหนึ่งท่านคงจะลืมแล้วผมเก็บเมื่อวานให้โยมทุกช่วยเก็บหมอนต้องเข้าที่ห้องมันกดต้องเข้าที่ห้องมันรนะวางเกะกะก็จะทําให้เรา เป็นภาระในการเก็บกวาดแล้วก็ใช้สอยเสียหายหมอนถ้าเราเก็บกดไม่เป็นที่เป็นทางก็จะถูกหนูกัดฟุ้งไฟไปหมดเลยต้องเก็บก้อที่ปลอดภัยนะเราก็ทําตู้ทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะตู้ที่ตึกใหม่นี่ก็รับได้เยอะอยู่อันไหนที่ไม่มีที่เก็บก็ไปเก็บตรงนั้นแต่เก็บก็ต้องจัดเป็นระเบียบหมอนพอหมอนมุ้งพอมุ้งพ่ อ, อ, อ, อหุ่มพ่อหุ่มกดพ่อกดให้เป็นแผนกแนกไปอย่าใช้อัดใส่เข้าไปแบบ โม่โม่รีบๆไม่ได้นะเราก็จะขาดสติตรงนั้นเราต้องจเจริญสติทุกๆุกขณะในการใช้เสนาะนะและปัจจัยสีย่ไม่รีบร้อนนะ น, นี่ส่วนหนึ่งที่ต้องแก้ไขคือสําหรับมุงหูยาวหรือช่วงยาวเนี่ยจะสะดวกใน ก, การใช้สอยคนก็ชอบแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่คือประตูมันกว้างเมื่อประตูมันกว้างถ้าเรากลางไม่ดีกลางไม่เป็นมันก็กลางกลางคืนก็จะยุง เขไปรบกนุนผมว่าจะไปเก็บประตูให้มันติดกันอยู่ป้องกันสําหรับคนใช้ไม่เป็นแล้วก็จะเอามาใช้ในส่วนกลางนะมุ้งขายาวนี่นะแต่ใช้ส่วนตัวผมอยากจะใช้กดเพราะกดเรามีเยอะอยู่กดมุ้งกดสีดํำนะก็ตามุฎต่างๆมุ้งกดสีดำเนะรานวดสิบกว่าหลังใช้ได้อยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราจะเวลาแขกไปไทยมาเขาจะให้เขาใช้มุง้ง กลางเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะไม่มีที่กลางมัดยากกลางยากอมุงใหญ่ถ้าหากว่าหลายๆคนใช้มุงใหญ่มีที่มัดที่กลางให้เขาก็ก็ใช้ได้แต่ที่ของเราที่มุงที่กลางมันไม่สะดวกเราก็มันก็ได้ใช้มุงสีขาแล้วก็เราใช้กดเล้ใช้มุงขา ย, ยาวนี่เป็นหลักเพราะมันห้อยง่ายมันไม่ต้องอาศัยที่ที่กลางเยอะก็ใช้แขวนชักขึ้นชักลงก็ใช้ได้ นั่น้นในส่วนที่บริหารอยู่ตรงนี้ก็คือไฟมงุงเรื่องเสือ้อเรื่องหมอนหน้าฝนอย่างนี้แล้วก็เวลาวันไหนมีแดดเราก็ต้องขยันเอาออกตากเพราะว่าหมอนโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ปลอกเขาไม่มมพรเคยหาปลอกมาให้แต่ว่าคนของเราก็มีน้อยเกินไปที่จัดการที่ใช้แล้วก็ไม่ได้ให้เขาซักเมื่อวานก็มีโยมกลุ่มหนึ่งที่มาสี่ห้าคน ก่อนกลับผมก็เน้นให้ไปเก็บก่อนที่จะกลับไปเก็บเสื้อเข้าที่เสือ้อเก็บหมอนเข้าที่หมอนไม่ให้เขากลับไม่อนุญาตให้กลับจนกว่าเขาจะเก็บเสนาสนะเรียบร้อยสําหรับแขกที่มาปฏิบัติแต่แขกขายจร น, นี่ก็ต้องปล่อยเขาเพราะเขาต้องรีบมาและนี้กลับลเราก็ต้องเจะมาจัดกันในส่วนนี้อันนี้คือข้อที่เป็นภาระเสนาสนวัดป่าครับพระนพส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยชอบอยู่วัดป่าวัดเขาเพราะว่างานมันเยอะ แต่ที่เราเสียสละมาอยู่กันนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ไฝ่สงบจริงๆเพราะนั้นนะไม่งั้นก็จะลําบากแต่สําหรับผู้เก่าอย่างผมจันพงศนี่ก็เป็นผู้รับผี่ชอบงานหลักงจันพงก็จะดูแลเสนาสนะทั่วไปผมบางทีไม่มีแขกไม่มีผู้ปฏิบัติผมก็ต้องทําช่วยไม่งั้นมันหนักเกินไปนะเรื่องน้ําเหมือนกันก็ประมาทไม่ได้วันวันก่อนก็ประมาทนิดหนึ่งไม่ได้ขึ้นไปดูแต่น้ําไปขาดไป มันไหลช้าไข่ค่อยไม่พอใช้แต่คนใช้เยอะนะเนี่ยนี่ผมว่าน้ำทําไมมันขุ่นอย่นี้ให้อาจารย์พื้นขึ้นไปดูปรากฏน้นํามันหมดทุกตุ่มแล้วไอ้ขี้ตะอนมันลงมาหมดเลยเนะี่ยก็วิ่งไปวิ่งมาช่วงนั้นพวกเราไปบินทบาทพอดีพอดีผมก็ไปเจอวาวตุ่มสํารองยอยู่อีกชุดหนึ่งเพอสํารองมันมีสองชุดชุดไอ้ถางเขียวพระเจดียี่มันหมดไปแล้วก็เหลือชุดสามตุ่มทัดลงมาเพราะนั้นไอ้ตุ่มข้างหลังเนี่ย ผมว่าบางทีจะเอาเค่อยไปเป็นจุ่มสำรองเจะไว้ข้างบนหรือไอด้านหลังที่เราปูกุทิแล้วเขาเขาย้ายลงมาที่จาย์สมบองที่เก็บศพจาย์สมบองเท่านั้นจะเก็บซื้อไว้เยอะๆนะน้ำสำรองบางทีน้ําเราขาดบ่อยพราะในยิหน้าแห้งหรือหน้าฝนปีนี้ไม่ค่อยมีน้าฝนไม่ค่อยตกยิ่งเก็บยิ่งยิ่มเก็บสำรองไว้เยอะเมื่อแขกไปไทยมาถ้าหากว่าน้ํามันขาดเราก็จะใช้น้ําสำรองได้อืม ก็อันนี้ส่วนหนึ่งที่ปัญหาดึงน้ําแล้วก็แต่เราก็ยังดีกว่าวัดอานนศิลาทองนะครับเพราต้องวิ่งไปวิ่งมากันทุกวันในการดูแลน้ํามันที่ข้อลําบากสําหรับเซนาสนัป่าแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะต้องปฏิบัติในส่วนนี้ไปด้วยเมือ่อไงเถอะถ้าเรานุ่งปฏิบัติเก็บปฏิบัติอย่างเดียวก็คงจะลําบากส่วนงานเมื่อวานอีกงานหนึ่งก็คืองานซ่อมแซนสะพาน ซึ่งสะพานนี้ผมทำเอาไว้เพื่อว่าเป็นที่เวลาเดินชมกลมรอบวัดเนี่ยมันจะมาเดินข้ามตรงนั้นได้ถ้าจะมาเดินข้ามตรงครัวมันก็ค่อนข้างอ้อมไกลหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใครพาแขกได้ชมป่าป้องกันให้แขกชมป่าด้วยตรงนั้นวก็ตกแต่งให้เดินข้ามไปทางนู้นเมื่อวานก็ใสเราสามสี่คนอาจารย์มิมนก็ขอร้องให้ท่านอยู่ช่วยตรงนั้นแต่เมื่อวานก็เกิดเกือ บ, เ ก, บเกิดอุบัติเหตุนะ มันพอว่าไอ้ขาเหล็กที่ไปค้าไอ้เสาข้างล่างตกลงไปก็ดีจารย์โยมท่านหลบทันก็เลยปลอดภัยไปเพราะว่ามันตกลงไปแล้วก็ท่อตรงนั้นขาดก็เลยทําให้ต้องต่อมาให้คุณทรงต่อตรงนั้นก็ยังไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นข้อตรงนั้นต้องต่อใหม่เมื่อน้ําจะมาติดตรงนั้นนี่คือข้อไอ้ลาบากสําหรับเสนาส น, านะป่ะถ้าคนไหนมีศรัทธาเสียสละ อยู่ร่วมกันได้ก็ได้บุญได้ประสบการณ์นะครับในสิ่งเหล่านี้จะได้ประสบการณ์เพราะคนที่มาอยู่กับผมส่วนใหญ่เนี่ยออกไปในตั้งสํานักได้เลยเพราะอะไรเพราะชํานาญเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องเก็บกวาดอาศานะอะไรต่างๆมากมายอันนี้ว่าได้เรื่องน้ําเรื่องไฟก็เรื่องเสียอาสนะนะครับเรื่องเตียงเราดูเหมือนว่าตอนที่ไปกันเราคงไม่ได้เก็บเมียอะไรไม่ทันผมไปเห็นเตียงอันหนึ่งแช่อยู่ใต้ต้นมะขามตรัสตรักฝน จะผุจะพังมันทํายากผมก็เล ย, อา ย, ายเอาย้ายออกมาใส่ที่กุฏิอยู่ด้านสองเตียงที่โรงเรียนที่โรงเรียนที่โรงเรียนของพระปีกายอยู่ตรงนั้นสองเตียงเสียน้าชนาเราต้องมาให้เสียหายนะแต่เมื่อวานนี้ผมเดินไปที่ป่ามะขามเห็นอีกเตียงหนึ่งไม่รู้มาจากไหนวางอยู่ตรงนั้นอ๋อนะก็มาจ่าเป็นเพราะเราม่เกิดขาดเปลืองไปกุฏิครับวันนั้ราทำได้พอ รครับแล้วก็ต้องยกมาที่เขาที่มุงที่บงังเข้าอย่าไว้รตรงนี้ก็ได้เขาเที่ยวกว้างกว้างถ้าแขกไปถ้านอนผมผมย้ายเข้ามาหลังหนึ่งตรงนี้ผมไปนอนตรงนั้นแต่ตรงนั้นถ้ายกมาอย่นี่อีหลังก็ถ้ามีแขกมาเขามานอนตรงนี้ได้กว้างดีอีกหลังหนึ่งตรงนั้นก็ตากแดดตาฝนฝนเลยไปซ่อมเมื่อวานห่อกระดานแผ่นเรียบมากระดานไม้อัดมาแผ่นหนึ่งก็ตีอัดเข้าไปแผ่นก็ ข้างล่งมันผุนะะใช้ไม่ได้ผมก็เลยให้นั้นทรงช่วยตัดไม้ใสตรงนั้นก็ย้ายเข้าไปข้างในแล้วเผื่อว่ามีแขกเกินตรงนั้นก็สามารถจะนั้นได้คือนี่เสนาสนะไหนที่มันปลูกมันพังเสียหายเนี่ยถ้าส้มแซมได้ก็ซ่อมแซมนะครับถ้าเก็บไว้ในที่ปลอดภัยได้แล้วก็ต้องเก็บนี่คืองานที่เราค่อนข้างจะหนักนะครับแต่ถ้าเราทําได้ดีนี่ก็เป็นการพัฒนาธรรมะ ออกกาลังกายได้เจริญสติแล้วก็ฝึกฝนวิชาในการที่จะพึ่งพึ่งตัวเองได้แต่เราไปอยู่วัดข้างนอกมีอยู่สบายนะครับบัณฑไม่เช่าเข้ามาเลยซื้อทุกอย่างยมบริการหมดพระทั่วไปที่ไม่มีอุดมการ์ในการปฏิบัติไม่มีวการฝึกฝนตัวเองเขาก็หาเล่อยู่ตามวัดต่างๆที่สบายๆที่ไม่ต้องมาทํางานหนักแบบนี้นะครับเพราะวัดในเมืองวัดวัดเขาอยากใบพระเยอะแยะอยู่สบายไม่ต้องทําอะไรญาติโยมสนองให้ได้เงินอีกต่างหาก นะนั่นคือพระที่ไม่มีอุดมการณ์ในการพัฒนาตัวเองครับก็สแสวงหาที่อยู่สบายแต่การพัฒนาตัวเองก็ไม่ก้าวหน้านะครับเขาอยู่สบายแล้วก็ประมาทนะแต่เราอยู่ทุกทุกยายากแบบนี้มันไม่ค่อยประมาทครับเราใช้เวลาคุ้มค่าเรารีบปฏิบัติเพราะมันจะต้องมีงานให้ทำเรื่อยๆช่วงไหนว่างเราก็รีบปฏิบัติ น, นี่เวลาผ่านไปแต่ละวันนี่ครับมันก็มีเกิดประสบการณ์เกิดสติปัญญาเกิดธรรมะเกิดความอดทนหลายอย่างครับ เกิดการช่วยเหลือก็อคุณเกิดการาเห็นคุณค่าของวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้คือวิชาพึ่งตัวเองต่อไปเราจะไปอยู่ที่ไหนสิ่งนี้มันจะกลายเป็นนิสัยของเรา น, นิสัยอันนี้ก็ทําให้เราอยู่ที่ไหนก็จะมีคนรักคนชอบมีคนต้องการพึ่งหวังพึ่งเราผมก็ฝึกฝน ต, ตัวเองอย่างนี้มาตลอดครับเพราะนั้นอยู่ไหนก็อยู่ได้เลยพึ่งตัวเองได้จะอยู่คนเดียวก็ดูแลวัดได้ทั้งหมดนะเพราะว่าเราใช้ธรรมะถูก อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าปีก่อนปีกามมวมยมันเกิดอะไรขึ้นโดยเกิดล้านทําขึ้นมาเพิ่มเสนาจะนั้นหนักอาจารย์ผมก็ไปอีกเท่าหนึ่งก็เลยต้องวิ่งกันว่อนอย่างที่เราเห็นนะอันนี้มันก็เหตุปัจจัยมันเกิดผมก็มาดูจะช่วยยังไงเพราะว่ากําลังเรามีจํากัดก็ต้องแบกรับภาระกันไปนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งมันทําให้เราเข้มแข็งนะครับในส่วนดีนะส่วนดีทําให้เราเข้มแข็งท่าะอดทนอยู่ได้เนี่ย เรจะฝึกฝนได้วิชาหลายอย่างครับวิชาดูแลปัจจัยสี่ชีวรเส น, สนาชนะเครื่องมือหุ่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราก็จะเรียนวิชาป้องกันโครคภัยไข้เจ็บตัวเองว่าตื่นเช้าขึ้นมาผมก็ยามออกกําลังกายทุกเช้านะครับว่าเราเป็นพระกรรมฐานที่ต้องมเรียกว่าต้องป่วยไม่ได้อะถ้าป่วยมันมันเสียเครดิตพระกรรมฐา น, านว่างั้นเถอะก็ถือว่าเราดูแลตัวเองไม่เป็นประมาทเพราะฉะนั้นต้อง ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อถ้าไปรี้พาเข้ามาฐานเจ็บป่วยแล้วเกิอดอุบัติเหตุแล้วก็เสียเครดิตเองนั้ น, นถแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับมันตลอดเวลาเนี่ผมไม่เคยเจ็บป่วยมาในเรื่องเหล่านี้ในส่วนที่เจ็บป่วยเพอะรักษาตัวเองได้ผมก็ไม่ให้ใครรู้วรักษาตัวเองการที่โยมมาช่วยเหลือเราเสียเครดิตแต่เราไม่หน้าที่ช่วยเหลือโยม เพราะพระกรรมฐานเป็นพระที่เข้มแข็งที่สุดนะในทัศนคติของผมป่วยไม่เป็นเจ็บไม่เป็นแต่ไม่จําเป็นก็เรียกว่าไม่เสียเวลาในการมาดูแลตัวเองครับใช้เวลาทั้งหมดเพื่อพัฒนาภูมิธรรมตัวเองแล้วก็เพื่อที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเข้มแข็งอันนี้คือในรพระกรรมฐานทัศนค